วันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดวันหนึ่งของพวกเราซึ่งถือตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อคําเขียนนับแต่นี้ไปจนตลอดทั้งวันมีภารกิจรอเราอยู่ข้างหน้าที่วักดภูเขาทองขอให้ถือว่าภารกิจนี้เป็นของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นญาติโยมขอให ถือเสมอว่าเป็นเจ้าภาพของงานนี้เพื่อทำถวายหลวงพ่อมาเมื่อครั้งที่หลวงพ่อยังอยูนะ่เวลาพระมาก็ดีแม่ชีมาก็ดีหรือว่าญาติโยมนะมาก็ดนะีถ้าไปกราบท่านท่านก็จะพูดกับหลายคนคล้ายๆกันนะว่าเนี่ยให้ทัวนี้เป็นบ้านของเรานะไม่มีที่ไหน ถ้าไม่มีที่ไปก็มาที่นี่นี่บ้านของเรานะมาอยู่ด้วยกันหลวงพ่อเชิญชวนแล้วก็ปฏิบัติกับพวกเราเสมอกับว่าเราเป็นผู้ร่วมอาศัยหรือร่วมอยู่กับท่านก็คือเป็นเจ้าบ้านด้วยกันมาครันี้เมื่ อ, อท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็เราจะจัดพิธีเพื่อโปร่งสิริราชของท่าน ก็สมควรที่เราจะเป็นเจ้าภาพถือถือตัวเป็นเจ้าภาพส่วนท่านอื่นนั้นก็พ็อจะมาในฐานะที่เป็นแขกเราก็ปฏิบัติกับเขาด้วยความเมตตาด้วยความเอื้อเฟื้อช่วยทำให้เขามางานนี้ได้ความสะดวกนะเมื่อเราเป็นเจ้าภาพเราเป็นเจ้าบ้านนะเราก็ ต้องมีความเสียสละเพื่อที่อาจารย์นวยความสะดวกให้กับผู้ที่เป็นอคตุกะของเราให้ได้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่พึงตัะหนักก็คือจุดมุ่งหมายของงานนี้นะเราจัดงานนี้เพื่ออะไรนะไม่ใช่เพียงเพื่อแค่ปรองสรีละของหลวงพ่อเท่านั้นแต่ว่ายังต้องทำให้ดีหรือทำให้ยิ่งไปกว่านั้น เวลาจัดงานศพนะคนส่วนใหญ่ก็มีจุดมุ่งหมายว่าทำอย่างไรจึงจะจัดงานศพให้สมเกียรติของผู้ที่ลงลับแต่ว่าสำหรับงานนี้เนี่ยการจัดให้สมเกียรติของหลวงพ่อเนี่ยน่าจะไม่พอหรือถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยด้วยซ้ำเพราะหลวงพ่อ ไม่ได้สนใจเรื่องเกียรติยศอยู่แล้วพระระดับหลวงพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงเกียรติแล้วก็สมควรจะได้รับพระราชทานเพลิงศพแต่หลวงพ่อก็ปฏิเสธนะท่านเขียไนไว้ในพินัยกรรมท่านปฏิเสธเกียรติยศอันนี้ถ้าหากว่าจะจัดงานนี้ให้สมเกียรติท่านนะตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็น และมันก็คงจะไม่ใช่สองอาทิตย์ด้วยอาจจะเป็นปีก็มีงานศพที่จัดถวายให้กับครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ร่วงรับจํานวนมากก็เป็นปีอย่างน้อยๆก็หลายเดือนเพื่อรอรพระพรายานเพลิงศพก็มีผ้าหลายลูกก็มาถามมีญาติโยมหลายคนก็มาอถามว่าทําไมเผาเร็วเหลือเกินนะสองอาทิตย์เท่านั้นเอง ที่จริงหลวงพ่อท่านอยากให้เร็วกันนักสิกนะไม่ถึงห้าวันไม่เกินห้าวันได้ก็ยิ่งดีแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นความขรุขัะอย่างยิ่งเพราะเพียงแค่จะเต็มพื้นที่ที่เม น, นทําความสะอาดปรับปรุงตกแต่งเมนให้เหมาะให้ควรกับงานของท่านก็ต้องใช้เวลาหลายวันเกินห้าวันละ ทุกวันนี้เนี่ยการจัดงานศพเนี่ยมุ่งไปที่ความสมเกียรติของของผู้ที่ร่วงลับนะและบางทีก็มุ่งไปถึงหน้าตาของผู้จัดของเจ้าภาพหลวงพ่อท่านคงเห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ฟุ้งเฟอ้อมากท่านก็จึงระบุอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ได้ทำหนึ่งถึงเกติยศของตัวท่านเองเลยนั้นถ้าเราจะจัดงานถวายท่าน ไม่ควรทําเพื่อความสมเกียรติแต่ถ้าทําก็ต้องทําเพื่อให้สมธรรมของหลวงพ่อสมเกียรตินี่มันยังไม่เท่าไหรนะมันต้องสมธรรมธรรมะที่หลวงพ่อได้สอนได้แสดงแล้วก็ได้ทุ่มเทชี้แนะให้เราได้เข้าใจได้รู้จักได้เข้าถึงรวมทั้งทําให้ดูทําให้เห็นมาโดยตลอด ซึ่งพวกเราก็ประจักษ์ได้ที่ผ่านมาทางหมู่คณะที่เป็นศิยานุสิ์ของท่านก็ไม่ได้มุ่งที่จะจัดงานให้สมเกียรติมากเท่ากับทำให้สมธรรมะของท่านให้งานนี้มันสะท้อนถึงธรรมะที่หลวงพ่อได้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็สอนให้พวกเราได้ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนความเรียบง่ายความไม่ถือยศถือตัวไม่เจ้ายศเจ้ายางอันนี้คือธรรมที่เราประจักษ์หรือพบเห็นได้จากการได้พบสัมผัสกับหลวงพอ่ออันนี่คือธรรมที่ธรรมแรกๆที่ผู้คนได้พบเห็นนะจากหลวงพอ่อเราก็พยายามทําให้งานนี้สื่อออกมาสะท้อนออกมาซึ่ง ธรรมะดังกล่าวให้เป็นงานที่มีคุณค่ามีสาระไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยพิธีกรรมต่างๆเพราพิธีกรรมเดี๋ยวนี้มันก็ฟุ้งเฟ้อมากขึ้นแล้วก็มีความงมงายมากก็ตัดทิ้งเพื่อสื่อตรงไปสู่ศา ส, สนาธรรมแต่นอกจากจะให้งานนี้เนี่ยสะท้อ น, นงความเรียบง่ายนะ ความถ่อมตัวของหลวงพ่อแล้วนะสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้คือสะท้อนเห็นถึงสติและความรู้สึกตัวที่พวกเราซึ่งเป็นศิทยานุสิธยนะ์ได้ภาพเพี่ยนปฏิบัติอันนี้มันคงไม่อาจแสดงได้จากวัตถุสิ่งของที่เราได้ตกแต่งหรือเราได้ตัดเตรียมมา แต่มันจะแสดงออกได้ก็จากาการกระทาและพฤติกรรมของพวกเราซึ่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานนี้วันนี้เนี่ยจะมีความยุ่งยากมากมายเกิดขึ้น ท, ทั้งที่เราเตรียมการมาเป็นอย่างดีตามกำลังสติปัญญาของพวกเราแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมามากๆนะมันก็จะมีความวุ่นวายหลายอย่าง ในบางจุดบางช่วงอาถึงขั้นโกรลาหันก็ได้จิตของพวกเราสำคัญมากโดยผู้ที่จัดโดยพผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆบ่อยครั้งการทำงานระดับนี้นะมันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่คนทำงานนะยังไม่ต้องพูดถึงการกระทกระทั่งนะกับผู้ที่มาร่วมงาน หลายอย่างที่เราวางแผนเอาไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็มีอะไรที่เกิดขึ้นได้อย่างที่ไม่คิดฝันซึ่งอาจทำให้เกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจตรงนี้พวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีญาติโยมเนี่ยจะต้องดูแลรักษาใจของตัวให้ดีแม้ว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น อย่างเช่นวางแผนเอาไว้แล้วนะก็มีคนมาก้าวกาก่ข้ามหน้าข้ามตาเี่ยตอนนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาทำให้เราจมเข้าหายเข้าไปในความหลงนะในความลืมตัว หลวงพ่อท่านสอนให้เรามีสติรู้ตัวและท่านก็ทำให้เราดูอยู่ให้เราเห็นแต่เราซึ่งถ้าหากเราซึ่งไปพูดทำงานสนองท่านถวายท่านนะกลับเต็มไปด้วยความโกรธความโมโหลืมตัวในขณะที่ทำงานนี้ก็ถ้าก็งานนี้เนี่ยมันไม่สมธรรมงานนี้ไม่สมธรรมของหลวงพ่อไม่สอดคล้องไม่เป็นสื่อแสดงธรรมของหลวงพ่อเราต้องการให้งานนี้สมธรรม ไม่ใช่แค่สมเกียรติของหลวงพ่อแต่สมธรรมของหลวงพ่อที่ท่านได้แสดงเราก็ต้องทำให้ดูทำให้เป็นเป็นแบบฝึกหัดแล้วให้ผู้อื่นได้เห็นด้วยอย่าให้มันเกิดภาพว่าหลวงพ่อสอนเรื่องสติความรู้สึกตัวแต่ลูกศิษย์หรือว่าผู้จัดนี้นะหมดเนื้อหมดตัวเข้าไปในอารมณ์เพียงเพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเพียงเพราะว่า มันไม่เป็นไปตามแผนเป็นเพราะไม่มีคนทําตามาที่ตกลงกันเอาไว้นะไอ้จริงอยู่สิ่งนั้นมันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นแต่มันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะก็ต้องแก้กันไปตามเหตุตามปัจจัยบ่อยข้างความหงุดหงิดความไม่พอใจเกิดความยึดติด ถ, ถือมั่นในสิ่งที่ได้ตกลงกันเอาไว้ในระเบียบที่ตกลงกันเอาไว้แล้วพอไ ม, ไ, มไม่เป็นไปตามนะั้นก็เกิดความไม่พอใจ แต่ว่าถ้าเราดูให้ดีเนี่ยความไม่พอใจเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแค่ความเป็นพราะความยึดติดถือมั่นในกฎในระเบียบที่วางแผนอาไว้แต่มันเป็นความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูด้วยซ้าถ้ายึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเมื่อไหร่เนี่ยมันก็พร้อมที่จะประทุกออกมาเป็นอารมณ์เป็นความหงุดหงิดเป็นความไม่พอใจหลายคนรู้สึกว่าถูกมหนาคำตา อันนี้มันก็บอกในตัวฟ้องในตัวอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของหน้าตาเป็นเรื่อ ง, องความหวงแหน์หน้าตาศักดิ์สิริเรยทําให้โกรธจะต้องพยายามดูแลรักษาใจอย่าใ ห, ให้ความยึดติดแบบนี้อัตตาตัวตนนี่มันเข้ามาครอบงําใจจนเราหมดเนื้อหมดตัวสิ่งที่ท้าทายเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่ทําให้งานสําเร็จแต่ว่าทําให้เราเนี่ยยังมีความรู้สึกตัวอยู่ได้ยังมี สติอยู่ได้แม้ว่าจะเจอเหตุการณ์ผ่านปวนต่างๆมากมายฝนฟ้าไม่เป็นใจผู้คนมากมายจนกระทั่งโกราหนมีคนใช้บัตรเบงพยายามเข้ามาจอดรถในวัดห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้โกรธได้ง่ายแล้วหรือว่ามีคนไม่เข้าคิวไม่เข้าแถวไอ้จริงแล้วนี่เราต้องมีสติให้ได้นะไม่ใช่ในฐานะเจ้าภาพม่แต่ในฐานะของ ลูกศิษยหลวงพอ่อแล้วก็ในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ในเดีวยวกันก็ไม่ควรช่วยใช้โอกาสว่าเออในเมื่ อ, อคนหนึ่งเขาไม่ไม่ไม่ถือตัวไม่ถือตัวแล้วเราก็จะทําอะไรกับเขาก็ได้อันนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนะก็ต้องเคารพเขาเคารพซึ่งกันและกันใครที่ได้รับมอบหมายได้มีความรับผิดชอบอะไรเราก็ต้องเคารพเขานะต้องฟังเขาถือว่าเขาเป็นแม่งาน ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเมือนก็นที่หลวงพ่อได้ทำให้เราดูตลอดเนี่ยเวลาใครเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าชึกหัวหน้าทัวร์ต่างประเทศหรือว่าหัวหน้าดูแลกิจการงานต่างๆเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะปล่อยเลยนะใครที่ไปร่วมชิปร่วมทัวร์กับท่านหรือพาท่านไปต่างประเทศจะรู้เลยว่าพาท่านไปนี่สบายมากท่านไม่บน่นท่านไ ม, ทนไม่ท่านไม่มาแทรกแซงความเห็นของเรา ท่านปล่อยให้เราว่าไปตามตามสบายเอาตอมาเคยไปกับหลวงพ่อไปกลุ่มเล็กๆนะสี่คนห้าคนไปอินเดียนี่สี่คนนะไปบาหลีนี่ห้าคนหลวงพ่อท่านปล่อยให้ลูกศิษย์นี่ว่าไปเลยนะท่านไม่เคยบ่นบางทีพวกเราก็อาจจะทําให้ท่านคอยท่านก็คอยไม่พูดอะไรไม่เคยเร่งไม่เคยเล่า ก็ท่ถือว่าท่านเป็นรูปทัวเราเป็นหัวหน้านะจะมีทวงจะมีแนะนําอะไรบ้างก็น้อยมากนะอันอย่างที่เคยเล่าไว้เมื่อสองสามวันก่อนอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของท่านที่ท่านรู้หน้าที่ว่าถึงแม้ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าวาดนะี่ยแต่พอไปบาหลีไปอินเดียไปภูฐานนะท่านคือรูปทัวร์ถึงแม้ว่าคณะจะยกให้ท่านเป็นหัวหน้า แต่ว่าก็เป็นหัวหน้าในเชิงเป็นประธานแต่ไม่ใช่ผู้จัดการผนะู้จัดการก็มีอยู่ท่านก็มาะหมายให้เขาดูแลเต็มที่แล้วควรทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักนะในในหมู่ผู้ที่ร่วมงานในวันนี้ในหมู่ผู้ที่จัดงานในวันนี้ มันเป็นบททดสอบสำคัญนะว่าเราจะทํางานนี้ให้สมธรรมะของหลวงพ่อได้หรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะในหมู่ผู้จัดนะเท่านั้นแม้กระทั่งในหมู่พวกเราซึ่งบางคนอาจจะ อ, อยากจะช่วยอยากจะมีส่วนร่วมในงานนะแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสเพราะว่ามีคนดูแลเรียบร้อยแล้วเราก็า จ, จะมาอยู่ในสภาพของผู้ี่ร่วรงงาน ก็ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่านะเราก็จะพยายามทำงานหรือมีส่วนร่วมในงานนี้เพื่อให้สมธรรมะของหลวงพ่อด้วยอย่างน้อยๆก็ช่วยกันทำให้งานนี้มันเป็นระเบียบคนเยอะนะเวลามีคนเยอะเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยความเพ่งแก่ตัวมันจะมีสูงมากเช่นเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันต้องต่อคิวต้องเข้าคิวแล้วเป็นแถวยาวเวลาจะไป รับอาหารคิวก็ยาวแถวก็ยาวถ้าว่างานนี้เนี่ยผู้คนจะเข้าคิวเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเนี่ยมันจะงดงามแต่ที่สำันก็คือมันสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจความรักษ า, าความประพฤติปฏิบัติของเราโดยเพราะพูดกับเรื่องสติพูดเรื่องความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันต้องแสดงออกมาในร่วงความเป็นระเบียบรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัย แล้วก็มีความเมตตากรุณาแตาว่างานนี้เนี่ยมันปรากฏกลายเป็นว่าเนี่ยผู้คนไม่เป็นระเบียบเลยมางานของหลวงพ่อที่สอนเรื่องสติความรู้สึกตัวนะแต่ทุกคนหรือว่าคนจำนวนมากเนี่ยเห็นแก่ตัวหรือลืมตัวนะเวลาเข้าแถวก็ไม่มีนะทั้งสิ้นนะพยายามที่จะยื้อยุดเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เข้าห้องน้ำก่อนใครหรือว่าได้กินอาหารก่อนใคร อันนี้มันจะเป็นเรื่องที่น่าละอายมากแล้วก็มันก็กลายไปว่างานนี้ไม่สมธรรมะของหลวงพ่อแล้วอย่าว่าแต่สมธรรมะของพระเจ้าเลยนะนี่คือส่วนร่วมที่เราสามารถจะทำได้เป็นส่วนร่วมที่แม้จะดูเล็กน้อยแต่สำคัญนันก็คือทำให้งานนี้เนี่ยมันเป็นระเบียบยางน้อยๆเราไม่เป็นเราไม่ไปไม่ไปเป็นส่วนของความไร้ระเบียบ ซึ่งความเป็นระเบียบเนี่ยมันแสดงง่ายๆเนี่ยคือการเข้าคิวเข้าแถวนะการทําตามทําตามคําขอร้องหรือระเบียบหรือว่าคําสั่งนะของผู้ที่รับผิดชอบเขาให้เดินทางเดียวก็เดินทางเดียวนะย่าจะไปอย่าไปย้อนสอนนะเขาให้จอดรถตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะมันจะเป็นระเบียบได้มากทีเดียวงานนี้เนี่ย หลังการที่เราจะช่วยงานนี้ให้ดีให้สําเร็จให้รับเรื่องแล้วก็สมธรรมมากของพ่อเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากนะแค่รักษาตัวให้ดีก็พอรักษาตนรักษาใจของตนผู้เจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นก็คือว่าเมื่อทําตนให้ดีเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยการช่วยเหส่วนรวมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการรักษาตนดูแลตนให้ดีแล้วมันก็จะเกิด ผลโดยรวมนะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นถ้าแต่ละคนเนี่ยนะทำตามทำตามกดทำตามกติกานะเดินเป็นแถวเดินเป็นระเบียบเดินทางเดียวไม่ ย, ย้อนสอนหรือว่าเข้าคิวนะมันจะช่วยได้มากนักปฏิบัติธรรมที่ก็วางใจไม่ได้นะนะเวลาพระเทศแสดงธรรมเนี่ยก็พนมมือสุภาพเรียบร้อยนะ แต่พอบอกว่าอาพอเสร็จงานแล้วอเดี๋ยวพระจะแจกหนังสือนะพอบอกว่าพระจะแจกหนังสือนะคนก็กลัวกันมาเป็นแบบไม่ไม่เป็นระเบียบเลยขนาดพูดจัดเนี่ยบอกนะว่าให้เดินให้เข้าเข้าแถวเป็นระเบียบนี่งานพุทธบูชานะงานวิสาขะนะแต่งชุดขาวก็เรียบร้อยดีนะแต่พอถึงเวลาแจกหนังสือนะ ไม่เป็นระเบียบเลยนะแย่งยึแย้งกันแซงกันยื้อยุดกันเห็นแล้วนี่มันตรงข้ามกับภาพที่เมื่อเห็นสักครู่ในะอตอนฟังธรรมนี่ยังสงบสํารวมนะแต่ว่าพอมารับหนังสือแจกนี่มันเป็นคนละเรื่องเลยมันไม่แสดงถึงความมีสติความรู้สึกตัวหรืออย่ว่าแต่พื้นฐานความเป็นระเบียบเลยบางทกีก็นึกว่านึกเปลี่ยบเชื่อมนะ คนที่ไปเข้าแถวเพื่อซื้อกระเป๋าหลุยวิตตองเนี่ยเขายังเข้าแถวเลยนะคนที่ไปอยากจะได้ iPad เนี่ยเขายังเข้าแถวเป็นชั่วโมงเลยไอคนนี้เขาไม่สนใจธรรมะนะเขาสนใจแต่เราจะบอกว่าาสนใจสิงฉาบชวยนะกระเป๋าหลุยวิตตองเอาไปโชว์เพื่อนไม่สนใจธรรมะแต่เข้าคิวเป็นระเบียบขณะอากาศหนาวนะไปเข้าคิวแถวปารีสเนี่ยนะอากาศก็หนาวแต่เข้าเข้าคิวเป็นระเบียบ แต่ว่านอกปฏิบัติธรรมนี่นะพอจากหนังสือนี่กลายเป็นอความวุ่นวายทันทีอันนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงแล้ ว, ค ว, วนะความรู้ตัวหายไปไหนนะความรู้ตัวหายไปไหนแล้วเนี่ยวันเนี้ยที่มันจะวุ่นวายคือตอนที่แจกของชมรวยนี่แหละ้ะคนถ้าเกิดมาเป็นหมื่นนะถ้ามาเป็นร้อยนี่ง่ายแต่ถ้ามาเป็นหมื่น มันจะวุ่นวายมากแต่ความวุ่นวายจะน้อยลงถ้าทุกคนเนี่ยเข้าแถวเป็นระเบียบการเข้าแถวเป็นระเบียบเนี่ยก็ไม่ต้องทาอะไรมากก็แค่มีสเตตมีความรู้ตัวมีความยับยั้งชั่งใจรู้จักคอยได้ถ้ามันเป็นพระทกลายท้าภาพก็เป็นว่าเนี่ยตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเกือบจะถึงที่สุดนี่เป็นระเบียบกันดีแล้วนะแต่ว่ามันกลายเป็นความโกลาหลตอนแจกหนังสือเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากมันก็ทําให้งานนี้ไม่สมธรรมอีกไม่สมธรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อสอนเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวนะแต่ว่าผู้คนลืมตัวกันหมดเพียงเพราะความโลภครอบงัอยากได้ก่อนใครกลัวหนังสือหมดจะ ต, ต้องระวังนะอย่ามีความเปรียบเทียบนะอาตมาเคยไปบรรยายทํามในที่แห่งหนึ่งที่เป็นสวนมอบกรุงเทพมัง้งใช่แล้วก็ เวลาไปบรรยายธรรมที่ไหนก็มักจะพกหนังสือไปบางทีหนังสือก็ไม่ครบไม่ไม่ครบจํานวนของผู้ที่มาฟังธรรมก็บอกว่าเนี่ยเออหนังสือมันมีน้อยนะก็ภาพที่เห็นนะก็อย่างที่พูดก็คือว่าผู้คนก็มาครูกันมารับเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ทีแรกตามา ก, ก็เอาหนังสือเล่มเล็กมาวางก่อนเล่มเล็กขนาดฝ่ามือนะพอมันหมด มันหมดไปก็มีเล่มใหญ่มาอีกปึ้งหนึ่งเอาคนที่มาทีหลังน ะ, ううนะก็ได้เล่มใหญ่ไปคนมาทีแรกก็ได้เล่มเล็กหลายคนที่ได้เล่มเล็กไม่ไมสบายใจไม่พอใจนะมีคนนึงก็มาขอบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเอาเล่มใหญ่ยังไม่ทันได้อ่านเลยนะยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่มันดีกว่ากันแต่ขอเปลี่ยนเพราะอะไเขาไ ม, ไม่สบายใจที่เขาได้เล่มเล็กมันมีความรู้สึก เปรียบเทียบนะอันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงทุกข์นะที่ได้เล่มเล็กเพราะไปเปรียบเทียบว่าเขาได้เล่มใหญ่ที่จริงน่าจะมองเออเราโชคดีนะคนนึ่นเขาไม่ได้เลยนะเราได้เล่มเล็กแล้วก็เล่มเล็กอาจจะดีกว่าเล่มใหญ่ก็ได้ถ้าอ่านในกนวปฏิบัติทำเนี่ยบางทีก็ต้องดูใจตัวนะว่าเนี่ยเรามีความโลภความความหลงครอบงำหรือเปล่า โดยพ่อเวลาได้ของแจกของฟรีสติที่เคยมีนะั้นหมดมันหมดไปเลยนะเวลาเจ อ, อสถานการณ์แบบนี้เพราะนั้นคนไท ย, นยก็เลยอย่างที่เราเห็นนะโดยเพ่อเวลาแจกของเนี่ยมันไม่มีระเบียบอะไรเลยแต่ว่าถ้าสิ่งนี้มาเกิดขึ้นกับลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนในวันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งน่าเป็น่วงเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะ อย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่นึกถึงตัวเองก็นึกถึงหลวงพ่อว่าเออทำยังไงจะให้งานนี่มันสมธรร ม, มากของหลวงพ่อสมธรร ม, มากคือว่าสอดคล้องหรือเป็นสื่อแสดงถึงธรรมของหลวงพ่อหรือว่าได้สมกับการที่เป็นสิ่งของหลวงพ่อนะไม่ใช่แค่สมเกียรติสมเกียรติแต่ไม่สมธรรมก็มีนะอย่างที่บอกงานศพที่มันสมเกียรติคนจัดแต่มันฟุ้งเฟอ้อมากมัน แล้วก็งมงายไร้สาระก็เยอะอันนี้เราไม่สมธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่แน่นอนเจ้าภาพ์ก็จะไม่ใด้เป็นคนที่เป็นเป็นคนสนใจธรรมะอยู่แล้วก็จะเป็นเศรษฐีก็จะเป็นอนักธุรกิจธรรมะของเขาก็เพียงแค่ระดับตื้นๆไม่มากอะไรเท่าไหร่อันนี้พูดโดย ร, มรวมๆนะบางคนก็มีธรรมะสูงเพราะนะั่นเขเป็นในเรื่องสมเกียรติเป็นหลักนะถ้าเป็นในเรื่องสมธรรมแล้วเนี่ยก็อาจจะ มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะธรรมะเข้าเป็นระดับพื้นๆแต่ถ้าระดับหลวงพ่อแล้วเนี่ยสมธรรมะเนี่ยคืองานนี่มันต้องอบอวนไปได้วยสติอบอวนไได้วยความรู้สึกตัวนะเป็นบรรยากาศของความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความไม่ถือตั ว, ไ ม, ตวไม่ถือตนไม่เอาตัว ต, วตวนออกหน้าอย่างที่หลวงพ่อแสดงให้เราเห็นไม่ว่าคนทํางานหรือว่าคนที่รับผิดชอบงานเนี่ยถ้าเอาตัว ต, วตวนออกหน้าเนี่ย ในความสึกตัวมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วงามก็จะวุ่นวายเกิดความเครียดแก่ผู้ทํางานแล้วเกิดความปานป่วนแก่ผู้ร่วงาน เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถือว่างานนี้เนี่ยนะเราต้องมาอย่าลืมเนี่ยการรักษาใจของตัวนะให้ดีโดยการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทํางานนี้ให้สมธรรมะของหลวงพ่อ ให้สมกับที่เรานะจัดถวายให้กับครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนะว่าท่านเป็นผู้ที่ชี้ทางสว่างให้กับเรานะผู้ที่ชี้ทางแห่งความไม่ทุกข์ให้กับเราไม่ว่าจะมีสิ่งมากระตุ้นให้เกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดหรือเกิดความโรคนะก็ตามก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ อย่างน้อยเนี่ยก็เก็บอาการไว้ให้ได้ถ้าใจนี่มันยังร้อนรุ่มด้วยความโกรธหรือร้อนรุ่มเพราะความอยากนะเก็บอาการให้ได้หรือไทยดีก็นะคือว่าดูมันไปแล้วก็เห็นมันดับไปนะไทยเขาจะคิวมันจะอยากแค่ไหนก็อดทนได้คอยได้ขณะที่เข้าคิวก็จเจริญสติไปตามลมหายใจไปคลึงนิ้วไประหว่างที่เข้าคิวรอรับของชําร่วยก็อ่ะ ใครเขาจะโกราดคนยังไงเราก็จะสงบได้แล้วก็อาจจะช่วยให้เขาสงบได้ด้วยความสงบของเรามันก็ช่วยนําใจของผู้อื่นให้สงบตามได้ด้วยหรือถ้าเราจะเอื้อฟเฟอ้อใครบ้างนะมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่าเอาอย่าปล่อยอย่าเปิดโอกาสให้อัตตาตัวตนความเจ้ายดเจ้า อ, อย่างความถือตัวเนี่ยมันเข้ามาครอบ ง, งําใจ ให้เราทำอย่างนี้ให้ได้ในฐานะไม่ว่าในฐานะของเจ้าภาพหรือผู้ร่วมงานซึ่งก็มีสถานะเสมือนกน็คือเป็นเศษของหลวงพ่อคำเขียนเมื่อเรามาทำงานถวายท่านนะเราก็ต้องทำให้ไม่ใช่แค่สมเกตเท่านั้นแต่ต้องสมธรรมะของท่านด้วยชาตนี้ก็เพื่อเท่านี้